ปัตตนิจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทลายสืบต่อไปการเจริญกรรมฐานนั้นทรงใช้คําว่าภาวนาหมายถึงการเพิ่มปูนสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เป็นอยู่บ้างแล้วให้เป็นมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มภูมนสิ่งสําคัญสองประการคือตัวความสงบกับตัวความรู้ยาถามว่าสงบอะไรก็คือสงบจากกิเลสเครื่องสมองใจที่เป็นมนติใจยาถาบัณฑ์รู้อะไรคือรู้ที่ทําให้กิเลสหมดไปสิ้นไป ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากความสงบและผลที่เกิดขึ้นจากความรู้นั้นบุคคลสามารถสัมผัสได้ในระดับต่างๆโดยมีระดับสูงสุดอยู่ที่ศัรสรูหรือบรรลุมรค น, นิพพานก็ทําให้ใจท่านมีความรู้อยู่ตลอดไปไม่มีความเปลี่ยนแปลงและใจก็จะมีความสงบอยู่ตลอดไป แม้จะมีอารมณ์กระทบอะไรมาจากข้างนอกจะมีการปรุงแต่งมีการประดับประดา ห, หรือมีการค่มขู่คุกคามยังไงก็ตามจิตใจของท่านก็จะมีความสงบเพราะโดยผลสูงสุดท่านเรียกท่านผู้รู้ผู้สงบว่าเป็นพระอราหารันต์ คำว่าอารหันต์จึงเป็นโครงสร้างในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายที่จะร่งเริ่มต้นใช้ความเพียรพยายามเดินไปบนเส้นทางของพระอระหันต์คำว่าอารหันต์จึงแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารวัฏในแก่สิ่งที่ทําให้บุคคลต้องหมุนวนอยู่ด้วยอํานาจของเพลิงกิเลสอานาจของเพลิงทุกข์ตลอดถึงหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏ ก็นี่ผมสังเกตว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราได้ถูกบังคับห้เลื่อนหลไปตามอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆมากบางน้อยบางครั้งแล้วครั้งเล่าไปประสบความทุกข์เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่อาจจะนับได้ว่าสักกี่ครั้งแม้วันหนึ่งบันหนึ่งเราก็กระทบกับอารมณ์ของกิเลส จากการเหนื่อนึกึกนึกขึ้นมาเองบ้างจากการกระตุง้งกระตุ้นเร่งร้าจากข้างนอกบ้างรู้ใจไปเอื้อมกำหนดอารมณ์เอกข้างนอกบ้างทิเล่ ก, ก็เกิดขึ้นสูงบ้างกลางบ้างต่ำบ้างกระทบจิตเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในระดับต่างๆจนบางครั้งรพระพุทธเจ้าทรงเรียก ชีวิตร่างกายว่าทุกขขัดขันคือกองของทุกข์แต่ถามว่าทําไมจึงเป็นกองของทุกข์ไปจริงแล้วชีวิตเป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยตั้งอยู่ด้วยเหตุปัจจัยแตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัยมันแตกสลาย แต่การที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกนั้นเขาเพราะใจของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เพราะไปสังเกตว่าชีวิตทั้งหลายในโลกนั้นหรือแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายในโลกไม่ใช่เป็นเหตุได้เกิดความทุกข์แก่จิตใจของบุคคลทั้งหลายเสมอไปส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้กําหนดด้วยความรักความชัง อารมณ์ส่วนใหญ่จึงให้ความรู้สึกเฉยๆแก่เราอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อใจมากก็คือใจไปกําหนดเรื่องอำนาจความรักความชังและจิตใจจะแปรผันไปด้วยความรู้สึกเดิมคือรักชังเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแปรผันไปใจก็จะแปรผันไปตามความรู้สึกรักชังของเรา จะนั่นสิ่งที่เรารับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราจะเกิดปีติสมนัตมีความสุขกายสุขใจพอสิ่งที่เรารักเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเราเกิดความทุกข์ความโศกเสียใจหรือประการต่างๆและในขณะที่สิ่งนั้นดำรงอยู่ก็จะมีความหวงความผวกความตกกังวลห่วงใจกลัวภัยกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้น แต่มีการรักษามีการป้องกันมีการระแวดระวังส่วนสีเวลาทรัพย์สินเงินทองทรัพยากรบุคคลไปเพื่อการนี้ไม่ใช่น้อยแต่ว่าส่วนของบุคคลหรือสัตว์ที่ใจไปกำหนดเรื่อำนาจของความชั่งเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรารู้สึกเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ด้วยความไม่พอใจบ้างเป็นทุกข์ด้วยความริษยาบ้างเป็นทุกข์ด้วยความคิดเบียดเบียนบ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีจะเกิดความสุขใจความสบายใจความปีติสมนัตถึงแสดงเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นที่เขากลับมีที่พนต่อใจเราก็เกิดจากใจเราไปกาหนดเรา เราไปมีความรู้สึกนึกคิดเอาเองซึ่งบางเรื่องถ้าเคยสังเกตดูจิตใจของเราเราจะไปจ่ายของในตลาดหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วเกิดชอบใจในสินค้าตัวใดตัวหนึ่งมีใจกาหนดว่าอยากได้หรือว่าตั้งใจจะซื้อสิ่งเหล่านั้น ปรดีคนอื่นก็ชอบก็ยืนอยู่ใกล้ก็ก็สั่งซื้อไปก่อนโดยจะเกิดความไม่ชอบจะเกิดความเสีย ด, ดายในของและจะเกิดความไม่ชอบในคนบางครั้งถ้าใจมันขาดเด็ดปลดมากอาจจะไปทะเลาะไปทุ่มเฉียงกับเขาก็ได้อาจจะไปยื้อย่งกับเขาก็ได้นั้นแสดงว่าใจมันเอื้อมไปมีความรู้สึกว่าเป็นของเราไปก่อนหน้านั้น ทางทางเองแง่ความจริงแล้วในกระบวนการซื้อขายเราก็ยังไม่เป็นเจ้าของเราเพียงแต่หมายตาไว้เท่านั้นเด็กแต่ว่าใจมันมีโลภจัดมันมีโมหะจัดทําให้ขาดเหตุผลในการตัดสินคนที่เขามา ซ, ซื้อก็ซื้อปกติธรรมดาของเขาแต่เรากลับมีความรู้สึกเขาไปแย่งของเราทางทางติดง่ายของความจริงมันก็ไม่ได้เป็นของเรา แม้ในแง่ของการสมมุติคือการซื้อขายไม่ต้องกล่าวถึงปรมาจะเพรพะปรมาตศั จ, จ, มศ จ, จ์มันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราอาการของจิตเหล่านี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เรื่อยๆถตาเห็นอาการดังกล่าวก็แสดงว่าจิตใจ ย, ยังอ่อนไหวด้วยอนาจของกิเลส เป็นเนี่เราต้องหมุนวนโดยด้วยอำนาจของมันและโดยอำนาจของความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นเหตอย่างที่พระเจ้าทรงสรุปไว้ที่เรามาศึกสาธยายการบอกกล่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมัน่นถือมัน่นในขันธ์ทหารนั้นเองเป็นทุกข์ทีนี้พอมาย้อนกลับไปว่าทําไมาทีเกิดยึดมัน่นถือมัน่นเราก็จะพบว่าไอ้ตัวกรรมแห่งสังสารวัฏที่พระหันท่านทําลายนั่นเอง การท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นเราอย่างยึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่าพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้ยึดมั่นถือมั่นแต่เรายังมีกิเลสเป็นเหตุได้ยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราดูใจของพระอรหันต์สามารถจะเทียบเคียงได้ระดับหนึ่งแม้กระทั่งใจของเราเองคือวัตถุบุคคลสัตว์สิ่งของอันใดก็ตามที่ใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นโดยหน้าความรักความชัง เมืเ่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปใจจะไม่ผูกไม่แฝบใจจะไม่รู้สึกกินดีินใจหรือรู้สึกมีสุขมีทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเดนนนินั้นนัก็แสดงว่าเป็นอาการของใจที่มีความส ง, งบอยู่ระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในกรณีนั้นอาการของใจเหล่านั้นถามว่ามาเกิดมาจากอะไร ก็ตอบว่าเกิดมาจากใจไม่มีความรักความชังในวัตถุในบุคคลในสัตว์ในสิ่งเหล่านั้นแต่พอดีมันไม่ทั่วไปพอเจอคนสัตว์อันเป็นที่รักที่ชังใจมันก็แกวนไปดังที่กล่าวแล้วก็หมายความว่ากิเลสจริงๆไม่ได้เกิดทุกอารมณ์แต่มันเกิดจากใจเราไปกำหนดไปคิดไปปรุงเอา ไปกำหนดด้วยอำนาจของตัญหาบางหรืออำนาจของอุปาทานบางยางที่ทรงแสดงไว้ในกระบวนของปฏิจจสมุปบาทหรือแม้แต่ในอริยสัจเองรเราเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายที่ในส่วนสาธยายการวัชาติความเกิดชรา ค, ความแก่มรณะความตายเป็นทุกข์เป็นต้นนั้นมันเกิดมาจากอะไร ก็ต่อมาจากเกิดต่อว่าเกิดมาจากตัณหาทั้งสามประการจะเรียกวาสมุมิไทยวันเมื่อตัณหาไม่มีในรูปใดความทุกข์ก็ไม่มีในเรื่องนั้นเวลาท่านไปกำหนดแสดง อ, อ, อีกในยาทีหนึ่งนั้นท่านจะแสดงเป็นคู่กันโดยใช้คำว่าวัตถุการมแล้ววัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใครความปรารถนาความพอใจ โดยรวมคืออารมณ์โลกทั้งหลายที่เราได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดดมโดยจมกูกโดยลิมด้วยลิ้นโด้จับต้องโดยกายแล้วได้เหนียวนึกสึกนึกด้วยใจการเหนียวนึกสึกนึกภายในใจนั้นเพื่อสังเกตว่าส่วนหนึมันเกิดจากความจาคือเก็บสะสมไว้ภายในใจก็ทำมาเหนียวนึกสึกนึก ส่วนหนเกิดจากการกําหนดอารมณ์ที่เรากระทบในขณะนั้นๆแต่การจะกําหนดเดรัมนาคความรักความสั่งแสดงว่าเราต้องมีเชื่อความรู้สึกรักสั่งในอารมณ์นั้นอยู่ก่อนถ้าไม่มีเชือ้อความรู้สึกครั้งแรกจะเป็นเฉยๆและจะกลายเป็นความเครียแปรสงสัยต้องการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใคร หลังจากนั้นจึงจะเกิดความรู้สึกรักช่งหรือเฉยๆเพราะนอกก็จริงแล้วใจที่เอื้อมไปกำหนดเอาหรือบางครั้งบางคราวแม้แต่มีการกระตุ้นมีการตาทอมีการยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆจากบุคคลข้างนอก เขจะมีวัตถุประสงค์อะไรก็เป็นเรื่องของเขาปัญหาว่าถ้าใจเราไม่ยอมรับฉันก็ด่ามาเราไม่ด่าตอบแต่พระเจ้าทรงสอนเรื่องชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธหรือชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธตราความโกรธมันก็อยู่เฉพาะใจคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ใจเรา แต่ถ้าเราไปรับเขาด่าเราเขาประหารเราก็ดูหมิ่นเราว่าทุษรายเราด่าญาติพี่น้องของเราอะไรก็แล้วแต่จะคิดเชื่อมเราเข้าไปความโกรธมันก็เกิดเราจึงไปเห็นเป็นเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจาวันคนสองฝ่ายก็ทะเลาะกันก็ด่ากันแรงๆเราอาจจะรู้สึกเฉย หรือบางคนที่ชอบดูคนทะเลาะวิวาทการแสดงว่าใจไม่ปกติก็อาจจะไปยืนมุงแล้วก็นึกเชียร์อยู่ภายในใจเชียร์คนนั้นดา่าเก่งดา่าได้แสบดา่าได้มันตั้งแ ท, ที่เป็นคาําด่าแต่เรารู้สึกชื่นชมกับคาําด่าตรง น, นั้นไปสังเกตว่าเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องคนที่ถูกด่าก็ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราคนด่าก็ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา เราขับเชื่นชมต่อคาําด่าแต่คําด่าคํานั้นประโยคนั้นนะ่ะถ้าเราเราเข้าไปเชื่อมเจนเขากำลังดา่ดาด่เห็นเราไปยืนมุงเ้าก็าหันมาด่าเราพร้อมกันสองคนหรือด่าสักคนหนึ่งตรงนี้ก็จะเห็นใจอีกว่าถ้าใจเราไม่รับใจมันเกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณาบอกเออคนทั้งสองนี้มันเพีย้ยนมันบ้า มันด่ากันเองทะเลาะกันเองเรามาหาเรื่องชาวบ้านเรปล่อยเขาไปใจเรายังไม่รับคําด่าเหล่านั้นก็คงเป็นคําด่าที่เผ่าลนจะพอใจผู้ด่าผู้ดานั้นก็สะสมบาปด้วยใจสะสมบาปด้วยวาจาเรายังไม่รับใจเราก็ไม่ร้อนแต่ถ้าเราเกิดรับ เาะเขด่าเราคำด่าที่เราเคยชมว่าด่าได้แสบด่าได้มันสร้างความพอใจให้แก่เรามันก็กลายไปสร้างความโกรธให้แก่เราเพราะในทางปฏิบัติบางครั้งพระเจ้ารับสั่งสั้นๆว่าเป็นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอัตตาอัตตานิยะคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตน ธรรมะปฏิบัติจึงมองไปมางมาแล้วคือสลายความรู้สึกว่าเป็นของตนสลายความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนมองสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอย่ารับปัจจยอมรับความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลื่อจิตออกมาจากการเกี่ยวกับ โดยน้าความรักความสั่งสังขารเหล่านั้นคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ใจของเราที่ไปมีความรู้เท่าทันเราสิ่งเราดันเพราะนั้นคุณสมบัติของพระราหันที่เกิดขึ้นจากการการที่ท่านทําลายกรรมแห่งทั้งสามอาชคือทําลายกิเลสได้กับกรรมได้นั้นที่จริงถ้าก็อยู่ในโลก แต่ว่าไม่แปดเปื้อนด้วยอารมณ์ของโลกคราวนี้ก่อนจะจัดสรุเจะทรงสุบินิมิตว่าพระองค์เสด็จลุยไปบนกองอุจจาระที่สูงเป็นภูเขามีกองอุจจาระเต็มไปหมดแต่พระองค์กลับเดินไปโดยไม่ได้แปดเปื้อนสิ่งเดียวนั้น นั้นแสดงว่อารมณ์โลกมันก็เหมือนกับอุจจาระปัญหาว่าถ้าเราเข้าใจเดินมันก็ไม่ได้เพื่อนเราเหมือนก็สิ่งศกปลกคนโคนตมหรืออุจาระต่างๆที่มีอยู่ในถนน้นทางมากมายกลก่อนถ้าเราเดินด้วยปัญญารู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นก็คงวางอยู่อย่างนั้น ไม่ทำให้เท้าเราแปกเพื้อนได้แต่ถ้าเราเดินด้วยความมืดเดินโดยขาดสติขาดปัญญาหรือเท่าทันมันก็เหยียบเอาสิ่งสกรปรกตรงใ น, นก็ได้แล้วตกหลุมตกบ่อไปเมื่อไรก็ได้มารมโลกทั้งหลายมันก็เป็นขบันยงกันพนพระอาหารถ้าจึงแปลความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลส หมายความบวตวัตุ ก, กรรมมันก็มีอยู่โลกมันก็อารมณ์ลงก็มีอยู่เดียตัวอย่างในพระพุทธวัติเราพบ ว, ว่าตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าพันศรัทธาเจ้าดำรงพระชนอยู่แล้วก็เผยแผ่ศาสนาไปในส่วนต่างๆของชงพูทธวิถนั้นก็ไม่ได้ปูราดด้วยกรีบกุหลาบที่มีความสวยงามไปไหนคนต้อนรับสักการะเคารพนับถือ ไม่มีใครล่วงเกินไม่ใช่อย่างนั้นแต่จริงแล้วมีปัญหาสารพัดมีคนเบียดเบียนประทุนร้ายด่าว่าผมคู่คุกคามสบประมาดดูถูกดูหมิน่นบางทีจนถึงก็จ้างด่าเป็นขบวนอย่างคราวเสด็จเมืองโกสัสมพีนา ม, มาคันตยาจ้างคนไปนดา่าไปถนนไหนก็เจอคนดา่า คนตักบาดก็มีแต่มีพวกรับจ้างด่าในขณะที่คนอื่นก็ตักบาดก็มีคนก็ด่าพราะภาพในลักษณะนี้เรานึกดูว่ามันเป็นกระแทกมาจากข้างนอกเป็นการตอกย้ำออกํำคล้ายๆกับคอนทุบๆบ่อยๆไม่ใช่ทุกครั้งเดียวทุกแล้วทุกอีกทุกแล้ ว, ท, ลวทุกอีกแข่งยังไงก็ต้องสึกต้องกรอด แม้จะไม่แตกหักไปก็ตามแต่พระเจ้ากลับไม่หวั่นไหวและในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าคนระดับพระอนรานนทเถระซึ่งเป็นพระโสดาบันท่านหวั่นไหวจะถามว่าทำไมหวั่นไหวเพราะพระโสดาบันละกิเลสประเภทราคะประเภทโทสะยังไม่ได้พระโสดาบันยังโกรธพระโสดาบันยังโลภ เพียงแต่ไม่โลภจนถึงกระทาผิดให้ตกนรกหรือไม่โกรธจนทําผิดให้ตกนรกแต่ก็ยังโลภยังโกรธก็แสดงว่าเชื้อไฟยังมีอยู่มีคนเพิ่มเชื้อมาจากข้างนอกมันก็ลุกไหม้ได้ท่านก็หวั่นไหวต้องการจะหนีไปจากสถ า, านที่นั้นวิธีแก้ของพุทธเจ้าก็คือเพิ่มสติปัญญาเหตุผลให้แก่พระอานนท์ รับสั่งถามให้หยุดคิดการหยุดคิดนั้นคือกระตุกจิตกลับมาจากความคิดเจนหนีให้มาอยู่กับความคิดคําถามที่พระยารับสั่งตอบเป็นลักษณะคล้ายกับน้ำหลากมาแล้วก็เบี่ยงเบนให้น้ํามันแยกไปในชิตต่างๆกระแสน้ําก็ลดความรุนแรงลงไป นั่นคือเป็นอุบายวิธีในการสอนธรรมะอีกวิธีหนึ่งของพุทธเจ้าคือเบี่ยงเบนออกมาจากจุดที่มันกำลังไหลมาอย่างแรงกรัรสังให้คิดโดยจเจตว่าก็คือการใช้ปัญญาคิดปาะโนตนาเหตุผลว่าเราอยู่เมืองโกสัมพีนี้คนด่ามากเลยเกิดไปตอกไหนซอยไหนถนนไหนคนก็ด่าด่ามาตั้งหลายวันนะ เราควรจะอพยพไปที่เมืองอื่นดีกว่าพระเจ้ารับสั่งถามไปเมืองไหนเราเห็นว่าใจพระานนท์เริ่มห่างจากความคิดที่เขาด่าออกไปไปหาเมืองหาเมืองที่จะไปท่านก็บอกชื่อเมืองต่างๆไปนั้นมาพระเจ้าก็ตั้งคำถามว่าถ้าเมืองนั้นเขาด่าจะทำยังไงไปเมืองอื่นความคิดก็ถึงเมืองอื่นอีก พระเจ้าก็ถามอีกว่าถ้าเมื่อนั้นเขาด่าเราจะทำยังไงท่านก็ไปเมืองอื่นไปเรยแสดงว่าดึงใจออกไปจากเรื่องที่ให้โกรธเรื่อยเมื่อต้องตอบคำถามซ้ำๆเหตุผลสติปัญญามันก็เพิ่มขึ้นวิธีลดความรู้สึกตรงนี้มันก็ทำนองที่คติไทยเราพูดว่านับดึงถึงสิบก็จะหายโกรธยังไม่ครบสิบยังถึงสิบยังไม่หายโกรธก็นับไปอีก ให้ครบร้อยร้อยอยังไม่ใหถัว่วก็นับไปถึงพันนั้นคือการเบี่ยงเบนจิตออกไปจากอารมณ์คล้ายๆกับเปลวไฟมันกำลังจะไหม้มาแล้วเราก็ดึงเชื้อไฟที่ข้างหน้าออกไปพอเปลวไฟมาถึงก็ไม่มีเชือ้อมันก็ดับการเปลีเปลจิตในลักษณะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันและเสร็จแล้ ว, ลวพระเจ้าก็รับสั่งสรุป วันไม่สําเร็จประโยชน์หรอกอ น, น, นุนปตาก็ด่าแล้วหนีดาน่าแล้วนีมันไม่มีที่ให้หนีเพราะเหตุเกิดในที่ใดให้อยู่ในที่นั้นแต่ไม่จะอยู่โดยการโ ต, อตอ้ตอบด่ า, าตอบประหารตอบปุถุสลายตอบครับแต่แยกการกระทําของเขากับบุเราออกไปคือไม่มีเราให้กระทบโดยทรงอุปมาเห็นว่า ตัวเรานั้นเหมือนกับช้างช้างศึกตีเข้าสู่สงครามเวลาเข้าสู่สงครามนั้นอันตรายรอบตัวมันไม่เดินพูดออกมาข้างหน้าหรือข้างหลังมันมาได้รอบตัวแต่ปัญหาเราจะรักษาตัวเองได้หรือไม่ส่วนคนทุสินทั้งหลายนะั้นเขาก็ด่าเขาก็ว่าเขาตำหนิตีเตียนก็ใส่ลายป้ายสีเป็นก็เรื่องของเขา ไม่เราไม่รับเราก็ตกลงตรงนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเป็นพระราหัรนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเรอการเกิดขึ้นแต่นี่จะใช่อารมณ์มันก็ไม่ใช่อารมณ์ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้แสงสว่างเพิ่มปูนแก่คนอื่นกิเลสไม่สามารถแปรเปื่อนได้ไหน แต่ท่านก็อยู่ท่ามกลางคนที่มีกิเลสท่ามกลางอารมณ์ที่ให้เกิดกิเลสทั้งหลายก็แสดงว่าภายในใจของท่านนั้นที่จริงแล้วเนี่ยวัตถุข้างนอกที่เรียกว่าวัตถุ ก, กรรมเนื้อก็ไม่อยู่แต่ไม่เป็นกรรมสำหรับท่านเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจท่านไม่มีกิเลสที่ท่าเรียกกิเล ส, สกกม ความรู้สึกรักก็ดีรู้สึกชังก็ดีรู้สึกโกรธก็ดีรู้สึกริษยาอาฆาอตอะไรต่างๆเป็นต้นก็ดีนนัตัวการสําคัญมันอยู่ที่ใจเราดรําริใจเราปเป็นเหนียวนึกไปตรึกนึกเอาไปปรุงแต่งขึ้นมาที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสังกัปปราโภบริษัทสกาโบความดําริเป็นการของคน ความดัริเป็นความโลภของคนความดังริเป็นโทสะของคนความดังริเป็นริษยาของคนก็แสดงมาเกิดจา่ความดั่งริเราจึงพบว่าในจุดที่เป็นเหตุได้เกิดกิเลสแล้วก็เกิดทุกข์นั้นเองก็คือที่เกิดของมรรคและที่เกิดของนิพพานเพียงแต่ไม่มีลักษณะร่วมกัน คุณสมบัติของคนที่เป็นประหานท่านจึงกล่าวสรุปไว้ในประสูตต่างๆที่ว่าอาสวิหิจิตานผูจิงสุดจิตจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นหรือประทานหมายความว่าในขณะนั้นจิตไม่มีอาสวะเมื่อไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสและจะไปยึดมั่นถือมัน่น อย่างที่เคยยึดมั่นถือมั่นเดิมมันก็ไม่ได้เพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุนจิตความสึกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราสมมตรท่านเหล่านั้นไม่มีถามมาเล็กใจมันมีอะไรใจมันต้องมีมีปัญญามีญาณเกิดขึ้นภายในใจใคล้ายๆกับสถานที่ เมื่อไม่ไม่มีมืดก็แสดงว่าต้องมีสว่างกิเลสนั้นเป็นเหตุเป็นตัวความมืดและเป็นเหตุให้เกิดความมืดเพราะกิเลสมาจากอาวิชาถ้าเราสักเกตเรื่องที่โลกก็ดีโกรก็ดีหลงก็ดีริศยาอาฆาตก็ดีเราเราจะเห็นความไม่รู้อยู่ตรงนั้นเพราะถ้ายังมียังมีความไม่รู้อยู่กิเลสก็เกิดขึ้นก็ได้เรื่อย แต่พอความรู้เกิดขึ้นในจุดใดกิดเลสเขาก็สงบระงับลงไปในจุดนั้นเพราะการทําใจให้สงบก็ดีการเพิ่มพูนตัวความรู้ให้เพิ่มขึ้นภายในใจก็ดีทั้งสองประการนี้มันอยู่ตรงกันข้ามกับาการของกิเลสถ้าใจเป็นเช่นนี้หมายความว่าใจก็สงบจากกิเลสได้ เมื่อใจสงบจากกิเลสได้ความทุกข์นั้นเป็นผลที่ต่อมาจากกิเลสก็แสดงว่าความทุกข์ก็สงบลงไปเมื่อไม่มีความทุกข์สิ่งที่ตรงข้ามกระทุกก็คือสุขคือสงบคือเย็นซึงเป็นผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในระดับต่างๆของพระหานั้นสมปูรณ์ เราไม่ถึงสมบูรณ์จะเราเดินตามรอยขั้นนั้นไปแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยแม้คําว่าอารหังจะแปลไว้เป็นอันมากเจนแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารวัจแปลว่าไกลจากกิเลสแปลว่าไม่ทําบาปแม้ในที่ลับแปลว่าเป็นผู้ควรไหว้ผุนบูชาเป็นต้นก็ว่าไปตัวจริงๆนั้นมาจากการหักกรรมแห่งสังสา ร, ร, ร, ว, าร ว, วัววจ ตคลายกันต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีอะไรอีสารพัดแต่ที่จริงแล้วมาจากตัวรากของต้นไม้ที่ย่างลงไปในดินสิ่งเหล่านั้นจึงสืบเรื่องมาจากการปลูกการเกิดขึ้นของต้นไม้ซึ่งอาจจะเกิดจากอะไรก็ตามมันมีมากมายได้อยู่บนต้นไม้ตรงนั้นแต่ถ้าต้นไม้นั้นไม่มีราก สิงเหานั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะความดีท่านจึงพูดว่ามีรากก็คือวิชาตัวความรู้แต่เป็นรากใหญ่ออกไปเป็นสามรากคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในขณะที่ความชั่วมันก็มีรากคืออวิชาแต่จริงการสาขาเป็นสามรากเหมือนกันคือโลภโลกรธหลงต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป